ข้อความในมัชฌิมานิกายมูลปนานมหาโคสิงคสารสูตรสูตรก่อนนั่นเป็นจูละโคสิงคสารสูตรกล่าวถึงความสมัครสมาสามัคคีปรองดองกอของกุ่มบทสามท่านพอมาสูตรนี้เ น, เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่เจริญสังขานุสติผู้ที่เจริญสังขานุสติอยู่โดยปกติเนี่ยนะ พระสูตรนี้เกื้อกูลทำให้ระลึกถึงความปฏิปฏบัติดีของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อ369ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าโคเสียงขาสารวันพร้อมด้วยพระสาวกผู้เถระซึ่งมีชื่อเสียงมากรูปเช่นพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระมหากสปะ ท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะท่านพระอนน์และพระสาวกผู้เทระซึ่งมีชื่อเสียงอื่นๆนนะก็แสดงว่ามีพระเทระเนี่ยนะที่มีชื่อเสียงอยู่ในในป่านี้มาพักอยู่ที่ป่านี้มากมากรูปด้วยกันถ้าเป็นสูตรอื่นๆเนี่ยนะการเริ่มต้นสูตรนั้นจะขึ้นต้นว่าพระพุทธเจ้าบิณฑบาต ประทับอยู่ที่เชตวันแล้วก็กล่าวถึงสถานที่ที่บินธบัตเช่นเมืองสาวัตถีเป็นต้นบินธบัติที่เมืองสาวัตถีบินธบาติที่หมู่บ้านนาธิกะคามบินทบาติที่พระนครภัยาลีโดยทั่วไปจะขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงสถานที่พระองค์บินธบาตแต่สูตรนี้กล่าวถึงว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าเพราะอะไรเพราะสถานที่บินธบัตมีจํานวนมาก แปล ว, ว่าออกจากป่าได้มีหมู่บ้านใกล้ๆป่านั้นนะมีหลายด้านด้วยกันนะะฉนั้นก็สามารถไปบินทบาทตามหมู่บ้านต่างๆในที่ไม่ไกลาจากป่าแห่งนั้นเพราะตรงนี้สูตรนี้กล่าวถึงที่ประทับอย่างเดียวไม่ได้กล่าวถึงสถานที่บินทบาทพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าสาระเนี่ยนะป่าโคสิงฆะสารวันโคสิงฆะหมายถึงว่าเหมือนเขาโคนะต้นสาระที่ แตกออกมาเป็นเหมือนกับเขาโคแล้วก็ต้นใหญ่มากต้นไม้ต้นนี้เป็นประธานของป่าก็เลยเรียกว่าป่าโคสิงคสสารวรรณตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่นั้นเนี่ยนะมีพระเทระผู้มีชื่อเสียงนะสาวกของพระองค์ผู้มีชื่อเสียงเนี่ยหลายรูปด้วยกัน ตรงนี้ท่านใช้คําว่าพระเถระเนี่ยนะในอัตถกถาบอกว่าเทเรหิสาวกเฮหิสัตทิงแปลว่าพระองค์ประทับอยู่ในป่าโคเสิงฆาสารวันพร้อมกับพระเถระผู้ประกอบด้วยธรรกระทําความมั่นคงเพราะพระเถระทั้งหลายเป็นผู้สํารวมด้วยความสํารวมในพระปาติโมกเป็นต้นนั้นคําว่าเถระแปลว่าผู้มั่นคงมั่นคงเีระเนี่ยนะแปลว่ามั่นคงก็เีระถ้าแปลงก็เรียกว่า แปลงร่างไปก็จะเป็นสถทธระเนี่ยนะก็คือสถทธรภาพความมั่นคงพระเถระก็คือพระที่มีสถทธรภาพทางทางไหนสถทธรภาพทางศีลเนี่ยนะมีศีลที่มั่นคงมีสมถวิปัสสนาเป็นต้นที่มั่นคงก็เลยเรียกว่าพระเถระเพราะพระเถระทั้งหลายอันนี้เถระโดยถูกต้องนะไม่ใช่เถระเพราะเพราะบวชนานโดยเหตุผลธรรมดาแต่หมายถึงเถระโดยคุณสมบัติโดยความรู้โดยความ สามารถโดยคุณธรรม ท, ทั้งหลายมีศีละคุณเป็นต้นพระเทระทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระสาวกเพราะเพราะเป็นอริยะสาวกหมายถึงท่านบรรลุมรรคผลหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนแต่เป็นพระอริยะเนี่ยนะล้วนแต่เป็นพระอริยะและก็เป็นผู้ที่มีธรรมะที่เป็นแก่นสารมีความมั่นคง ในพระเถระเหล่านั้นที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะอภิญญาเตหิอภิญญาเตหิคือมีชื่อเสียงปรากฏไปในที่ทุกแห่งก็แปลว่าเป็นพระเถระที่ดังๆทุกองเลยนะทุกองเนี่ยมีมีบริวารมากเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเช่นพระเถระเหล่านั้นคือใครท่านพระสารีบุตรท่านมีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนาท่านมีชื่อเสียงด้วยคุณธรรมของตน คุณธรรมของท่านที่เป็นเหตุให้ท่านมีชื่อเสียงมีอะไรบ้างพระบอกว่าศีลเนี่ยนะท่านมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมกข่านมีอินทรีสังวรมีโภชเนมตันยุตามีชาคริยานุโยคพระเถระเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ นะมีสติประธานสมมาประธานอิธิบาทอินท ร, ะระ์ศีรพละโพชฌงก็คือเป็นธรรมทายาทที่รับมรดกธรรมรับอริยทรัพย์รับคุณธรรมต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นลอยเด่นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนพระอาทิตย์ท่ามกลางท้องฟ้าในเวลากลางวันท่านลอยเด่นมีชื่อเสียงเหมือนกับพระอาจาร์โคจรในเวลากลางคืนเป็นที่โดดเด่นเนี่ยนะ และปรากฏแก่ผู้มีจักษุไม้คคำว่าคนมีดวงตา ม, มองเห็นอาทิตย์ในตอนกลางวันมองเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางคืนฉันใดพระเทระเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นที่โดดเด่นมีชื่อเสียงในพุทธบริษัททั้งสี่ฉันนั้นเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเปรียบเหมือนทะเลปรากฏแก่ผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งมองเห็นสมุทรคนที่ยืนริมฝั่งทะเลมองเห็นทะเลได้อย่าง กว้างขวางฉันใดพระเถระทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลให้ผู้อื่นรับรู้รับเห็นรับทราบฉันนั้นอันนี้เป็นมีชื่อเสียงโดยเฉพาะในคุณธรรมภายในอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็เรียกว่ามีคุณธรรมโดยพระสูตรต่างๆเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีพระเถระทั้งหลายเหล่านี้ อยู่ด้วยหลายสูตรด้วยกันอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรนี่มีชื่อเสียงในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกหลายสูตรด้วยกันเช่นมัชชิมนิกายที่เราเรียนผ่านมาคือธรรมทายาสสูตรที่บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาสเถิดอย่าได้เป็นอมิตธรรายาสเลยและตอนหลังพระสารีบุตรคือผู้ที่ออกมาขยายว่าอย่างไรชื่อว่าเป็นธรรมทายาสอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติตาม คำสอนเมื่อภาษาสดาหลีกเร้นเป็นต้นเนี่ยนะมันธรรมทายาสูตรนั้นเป็นเหตุให้ภาษาริบุตรโดดเด่นแล้วก็อนังคณะสูตรกิเลสประดุดเนินเนี่ยนะกิเลสเป็นดุดเนินซึ่งภาษาริบุตรเป็นผู้ที่เอาออกมาจำแนกภาษาริบุตรแสดงว่าอย่างไรชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นไนะแล้วก็จูลสศีหนาสูตรเนี่ยนะจูลสศีหนาสูตรที่กล่าวถึงศรัทธาหรือแม้กระทั่งมหาศีหนาสูตร พภาษาฤาบุตรนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคแสดงมหาสีหนาสูตรและพระมหาศีหนาสูตรนั้นพระองค์แสดงโดยแสดงกล่าวกับภาษารีบุตรหรือแม้กระทั่งรัฐวินีตสูตรเนี่ยนะภาษารีบุตรก็เป็นผู้ที่สอบถามเกี่ยวกับวิสุทธิเจ็ดประการกับพระปุณณมันตานีบุตรมหาหัตถปโทปมสูตรที่เปรียบพระธรรมเนี่ยนะพระธรรมดุดรอยเท้าช้างใหญ่ บอกว่ารอยเท้าช้าง น, นะเขบอกว่าบรรดารอยเท้าทุกชนิดรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดประชุมลงที่อริยสัตว์รอยเท้าช้างฉันใดกุศลธรรมทุกอย่างก็ประชุมลงที่อริยสัตว์ฉันนั้นนั้นภาษาดีบุตรก็แสดงอริยรสัตว์เนี่ยนะแสดงอริยสัตว์4ประการแสดงอุปาทานขันห้าแสดงอายตนะแสะดงปฏิจจสมุปบาทก็จะแสดงขันอายตนะทา่าสัจจะปฏิจจ อายศาสตร์ในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะแล้วก็มีการเปรียบเทียบอุปมาอย่างกว้างขวางแล้วก็ต่อไปก็จะมีมหาเวทะละสูตรเนี่ยนะมหาเทว เ, เวทะละสูตรที่กล่าวถึงเวทละผู้ที่มีปฏิสัมพิธาซึ่งเป็นการสนทนากับพระมหากโกธิตะหรือวัตถุประมสูตรเนี่ยนะพระสูตรที่เปรียบประดุลอุปมาเหมือนผ้าทีฆะนัขาสูตรเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าแสดง ทีคณะสูตรให้หลานของพระสารีบดฟังซึ่งพระสารีบดนั่งฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเมื่อวันมาฆะที่แล้วเนี่ยนะวันมาฆะที่แล้วเนี่ยความสําคัญอย่างน้อยสามประการหนึ่งเป็นวันที่จตุรงคสันนิบาตประชุมสาวกประกอบด้วยองค์สี่อย่างที่สองเป็นวันที่พระผูะ้วันที่พระสารีบดบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างที่สามเป็นวันที่พระองค์เนี่ยดับเรียกว่า ปรงมายุสังขารเนี่ยนะพระองค์ปรงมายุสังขารี่วันมาคะพันถัดจากนั้นสมเดือนวันเพ็ญเดือนหกพระองค์จึงดับขันปรินิพานพันในทีฆะนักขสูตรหรืออนุปดสูเนี่ยนะอันนี้ก็กล่าวถึงบทที่ภาษาริบทสามารถพิจารณาได้นะเข้าฌานต่างๆแล้วพิจารณาองค์ฌานหรือแม้กระทั่งเสวิตตพาเสวิตตพะสูตรสูตรที่อะไรควรเสพไม่ควรเสพ สัจจวิพังคสูตรจำแนกอริยสัจบินดะตาติปาริสูตรที่สูตรสูตรที่กล่าวทำว่าทำอย่างไรบินธบจึงจะบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสูตรสุดท้ายของมัชฌิมานิกายท่านดูจากสูตรเหล่านี้แล้วในมัชฌิมานิกายร้อยห้าสิบสองสูตรเนี่ยภาษารีบุตรเกี่ยวข้องสิบสี่สูตรใหญ่เนี่ยนะที่สําคัญสาคัญด้วยนะแล้วก็ในทีขณิกายอีกเนี่ยนะภาษารีบุตรกล่าวถึง สัมปัสสธนิยสูตรสูตรที่พระสาริบุตรประกาศถึงความศรัทธาของท่านที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านนี้เลื่อมใสจริงๆในพระพุทธเจ้าหรือสังคีติสูตรพระสุตรัสสูตรสามสูตรนี้สูตรใหญ่มากเลยนะสัมปัสาธนิยสูตรสังคีติสูตรพระสุตรัสสูตรนี่ถือว่าเป็นสูตรที่สําคัญมากในทีขณิกายแต่ว่าอยู่ปาติกวักเนี่ยนะอยู่วัคสุดท้าย ปาติกวักเนี่ยนะแทบจะสามสูตรสุดท้ายเนี่ยภาษาริบุตรได้กล่าวไว้อย่างไพเราะลึกซึ้งกว้างขวางแล้วก็ยังมีปวารณาสูตรเนี่ยนะสุเลมาสูตรเทระสูตรเนี่ยนะเทระปัญหาสูตรก็เกี่ยวกับปัญหาทั้งหลายแล้วก็มหานิเทศปฏิสัมพิธามักมหานิเทศนี่ก็ยิ่งใหญ่เนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลในฉบับที่เราใช้อยู่ในเล่มหกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยยิ่งใหญ่มาก ทั้งนิเทศเนี่ยนะทั้งจูลนิเทศ67ด้วยก็เป็นพระสูตรที่พระสารีบุตรจําเนกชี้แจงอย่างพิสดารแล้วก็คำพีปฏิสัมพิธามมรคหกสิบแปด66สิบเก้าหกสนี่ยนะหกสิบแปดเีเหล่านี้เป็นผลงานของพระสารีบุตรทั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่งเทระสีหนาสูตรการบลือศีหนาของพระสารีบุตรแล้วก็ตลอดถึงการบวช การเป็นเอตทักคะในด้านปัญญาดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิ่สูตรทั้งหลายสารีบุตรเป็นยอดแห่งภิกษสสาวกผู้มีปัญญาของเรามั้นพระสารีบุตรจึงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นนะมีชื่อเสียงมากเป็นผู้ที่โดดเด่นมากโดยคุณธรรมของท่านเองอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็โดยพระสูตรทั้งหลายที่มาในพระไตรปิฎกนั้นประกาศถึงว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากเป็นผู้ที่มี ชื่อเสียงมากเนะี่ยรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนรูปที่สองต่อไปก็คือพระมหาโมคคลานะเทระเนี่ยนะผู้ปรากฏมีชื่อเสียงเหมือนกับพระเทระอื่นๆด้วยคุณธรรมของตนคือคุณธรรมของพระมหาโมคคลานะก็เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นต้นเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยะคุณทั้งหลาย คุณธรรมที่พระสาวกทั้งหลายจะพึงมีพระมหาโมคคลานะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านั้นอันนี้เป็นแพระคุณส่วนตัวของท่านขณะเดียวกันผลงานของท่านปรากฏในพระสูตรในพระไตรปิฎกต่างๆเช่นอนุมานสูตรสูตรที่กล่าวถึงว่าอย่างไรชื่อว่าเป็นคนว่าง่ายอย่างไรชื่อว่าเป็นคนว่ายากอย่างไรสอนง่ายอย่างไรสอนยากเนี่ยนะนั้นพระโมคคลานะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ จำแนกแกแกแจงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างละเอียดหรือจุลตันหาสังคย ส, สูตรสูตรที่กล่าวถึงความสิ้นตันหาซึ่งพระโมคคัลลานะก็ได้สอบถามกับเท้าวสักกะเทวราชหรือมารตตชนีสูตรที่พระโมคคัลลานะแสดงคำให้มานฟังตลอดจนถึงการทําปราสาสตรของนางวิสาขาให้หวั่นไหวหรือทําปราศาสตรของท้าวสักกะให้หวั่นไหว การทรมานนันโทปนันทนาคราชขณะเดียวกันท่านยังมีอิทธิบาททั้งหมดเนี่ยนะคุณธรรมเหล่าใดที่เป็นบาศแห่งฤทธิ์คุณธรรมเหล่านั้นก็มีอยู่ในตัวท่านแล้วก็ท่านยังมีสูตรต่างๆที่กล่าวถึงท่านเช่นในโมคลานะสังยุตเป็นต้นนนะ ตลอดจนถึงในคราวที่พระพุทธเจ้าแสดงย ม, มะกะปาติหารพระโมคคัลลานะก็ปรากฏโดดเด่นไม่ใช่น้อยในวันนั้นหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องวิมานวัตถุเปตวัตถุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวิมานทั้งหลายก็เป็นพระโมคคัลลานะนั้นน่ะเอามาแสดงซะส่วนใหญ่หรือเปรตตวัตถุเกี่ยวกับเรื่องเปรเรื่องผู้ที่กระทําบาปอากุศลกรรมทั้งหลายแล้วก็บาปเหล่านั้นมันให้ผลอย่างไรเขาทาบาปเหล่าใดมาให้ผล อยเช่นในลักษณะสังยุตเนี่ยนะลักษณะสังยุตก็พระโมกขลานะเป็นคนที่ยิ้มแล้วพระลักขณะก็ถามเป็นต้นตลอดจนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบวชของท่านท่านก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นยอดของของอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระโมกขลานะเป็นยอดแห่งภิกษุสาวกผู้มีฤทธิ์ของเรา วันในจำนวนผู้มีฤทธิ์นี้พระโมคคลานะก็เป็นยอดของผู้มีฤทธิ์ฤทธิ์ของท่านรองแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น